ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิยานเทรักหลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องวิมุตติ ปัญจวัคคีหนีจากพระพุทธองค์แล้วท่านเห็นว่าเป็นลากเป็นโชคของท่านท่านจะได้มีโอกาสทำความเพียรครั้งเมื่อพระปัญจวัคคียอยู่ก็วุ่นวายก่อกวนหลายอารมณ์บัด น, นี้พระปัญจวัคคียออกจากท่านพระปัญจวัคคีเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นคลายออกจากความเพียรเวียนมหาความมากมาก เพราะว่าสมัยก่อนนั้นเอาจริงเอาจังเรื่องอัตตกิลมถานุโยโคเรื่องการทรมานเรื่องการขบเรื่องการฉันเรื่องการหลับการนอนเอาแท้เมื่อถึงคราวอันนี้แล้วพอมาพิจารณาแล้วมันก็ไม่เป็นไปประพฤติด้วยทิฏฐิประพฤติด้วยมนณะด้วยความยึดมั่นถือมั่นคิดปรารบโลกว่าเป็นธรรม คิดปรารบตนว่าเป็นธรรมมันไม่ได้ปรารบธรรมนั้นยังว่าเราจะทรมานปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบก่อนจะทำอย่างนั้นก็ปรารบให้โลกสันเสริให้เขาว่านี่แหละเป็นคนเอาจริงเอาจังก็เลยทาอันนั้นเป็นโลกหมดทำเพื่อความยกย่องสันเสริให้เขาว่าดีให้เขาว่าเลิศให้เขาว่าประเสริฐให้เขาว่าปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบ คิดอย่างนี้แล้วจึงทำเรียกว่ามันปลารบโลกอีกอย่างหนึ่งคือปลารบตนเองเชื่อมั่นในความเห็นของตนเองเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติก็ตามไม่เอาเป็นประมาณชอบอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่ได้คำหน้าคลำหลังนี่ปรารบตนเองอีกประเภทหนึ่ง เรื่องปรารบโลกกับปรารบตนนี้มันมีแต่เรื่องอุปทานแน่นหนาอยู่เท่านั้นพระพุทธองค์พิจารณาเห็นว่าเรื่องที่จะปรารบธรรมะคือให้มันถูกธรรมะแล้วจึงทำไม่มีฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นหมันละกิเลสไม่ได้ท่านก็โหนมาพิจารณาใหม่คือที่ทำงานตั้งแต่ต้นท่านก็มาดูผลงานมา สิ่งที่ประพฤติปฏิบัตินั้นผลที่เกิดจากเหตุที่ท่านกระทำนั้นเป็นอย่างไรภาว น, นาแล้วคิดไปลึกซึ้งแล้วเห็นว่ามันไม่ถูกมีแต่เรื่องตนเท่านั้นเรื่องของโลกเท่านั้นเรื่องธรรมะเรื่องอนาัตตานี้ไม่มีเรื่องศูนย์เรื่องว่างเรื่องปล่อยเรื่องวางไม่มีคือเรื่องปล่อยวางมันมีอยู่แต่ว่าปล่อยโดยความยึดมั่นถือมั่น ท่านก็คิดไปคิดมาพิจารณาดูแลถึงจะสอนลูกศิษย์เขาก็เห็นไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่จะบอกให้ลูกศิษย์เข้าใจกันได้ง่ายเพราะว่าลูกศิษย์นั้นเขาแน่นเหลือเกินในการกระทําอย่างนั้นในการสอนอย่างนั้นในความเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เห็นว่าทําอย่างนั้นก็ทําตายเปล่าอดตายเปล่าทําตามโลกทําตามตนท่านก็พิจารณาใหม่ หาสิ่งที่มันพอดีเป็นสัมมาปฏิปทาส่วนจิตก็เป็นจิตส่วนกายก็เป็นกายเรื่องกายนี้มันไม่ใช่กิเลสตัณหากับใครหรอกถ้าจะไปฆ่าอันนั้นเฉยๆมันก็ไม่หมดกิเลสมันไม่ใช่ที่ของมันแม้จะอดขบอดฉันอดหลับอดนอนให้มันเหี่ยวมันแห้งว่าจะให้มันหมดกิเลสอย่างนั้นมันก็หมดไม่ได้แต่ความเข้าใจที่ว่ามันได้สั่งสอนในการทรมานนี้ พระปัญจวัคคีย์ติดมากตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็กลับมาฉันจังหันให้มากขึ้นให้มันธรรมดาอะไรอะไรก็ให้มันธรรมดาธรรมดามากขึ้นพอพระปัญจวัคคีย์เห็นการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธองค์เคลื่อนจากของเก่ามันเปลี่ยนจากการปฏิบัตินั้นมาก็เลยพากันเข้าใจว่า พระพุทธองค์นั้นคลายความเพียรเวียนมาหาความมากๆความเห็นผู้หนึ่งมันจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนคือพ้นสมมุติอีกผู้หนึ่งเห็นว่ามันจะเลื่อนลงไปข้างล่างคือคลายความเพียรเวียนมาหาความมากๆ ก, การทรมานตนเองมันแน่นอยู่ในหัวใจของพระปัญจวัคคีทั้งหลายเพราะพระพุทธองค์ก็เคยสอนอย่างนั้นปฏิบัติมาอย่างนั้นสอนมาอย่างนั้นจนกว่าท่านได้เห็นโทษนัน เห็นโทษมันชัดเจนท่านจึงละมันได้เมื่อละมันได้แล้วท่านก็เห็นประโยชน์ในการละนั้นท่านจึงกระทาอย่างนั้นโดยไม่ได้ลงขอผู้อื่นเลยพอพระปัญจวคีเห็นพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นก็พากันหนีจากท่านเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ทำต่างก็เหมือนนกที่หนีจากต้นไม้เห็นว่าต้นไม้ไม่มีกิ่งหรือก้านกว้างขวางไม่มีร่มมีเย็น หรือปลาจะหนีจากน้ำก็เห็นว่าน้ำมันน้อยไม่เย็นมันเบื่อว่าอย่างนั้นความเห็นเป็นอย่างนั้นก็เลยเลิกกันจากพระพุทธเจ้าที่นี้พระองค์ก็ได้พิจารณาท่านท่านก็เลยฉันให้สบายอยู่ให้สบายจิตก็ให้มันเป็นจิตกายก็ให้มันเป็นกายจิตมันก็เป็นเรื่องของจิต กายมันก็เป็นเรื่องของกายท่านก็ไม่ได้บีบมันเท่าไหร่ไม่ได้บังคับมันเท่าไหร่พอแต่จะทำราคะโทสะโมหะให้บรรเทาลงแต่ก่อนท่านก็เดินอยู่สองทางกามสุขขันลิกานุโยคโคมีความสุขมีความรักเกิดขึ้นมาแล้วก็สนใจเกาะด้วยอุปทานเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางกระทบความสุขก็ติดในความสุข กระทบความทุกข์ก็ติดในความทุกข์เป็นกามาสุขันลิกานโยโคกับอัตตะกิละมถานุโยโ ค, รโยโครพระองค์ติดอยู่ในสงสารท่านมองพิจารณาเห็นชัดเจนเข้าไปว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของสมณะที่จะเดินไปในทางนั้นสุขแล้วก็ยึดสุขทุกข์แล้วก็ยึดทุกข์คุณสมบัติของผู้เป็นสมณะไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่เรื่องยึดเรื่องมั่นเรื่องหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นครั้นติดอยู่ในนั้นมันก็เป็นโตเป็นตนมันก็เป็นโลกถ้าปฏบิบัติบากบันในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังไม่เป็นโลกกวิถูไม่รู้แจ้งโลกวิ่งทางซ้ายวิ่งทางขวาอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ท่านเพ่งถึงส่วนจิตจริงๆตามรักษาจิตของตนล้วน สอนจิตของตนล้วนเรื่องธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกันกันกบโรคในร่างกายของเรานี้เป็นเจ็บเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็เป็นในร่างกายของเราความเป็นจริงคนเราก็หวงแหนกายของเราจนเกินขอบเขต ก่อนที่มันจะหวงแหนก็เนื่องมาจากความเห็นผิดมันจึงปล่อยไม่ได้อย่างสาลาเราอยู่เดี๋ยวนี้เราสร้างมันขึ้นเป็นสาลาของเราจิ้งเหลนมันก็มาอยู่จิ้งจกมันก็มาอยู่หนูมันก็มาอยู่เราก็เบียดเบียนแต่มันเพราะเราเห็นว่าสาลาของเราไม่ใช่ของจิ้งเหลนจิ้งจกเลยเบียดเบียนมันเหมือน ก, นกันกับโรคในร่างกายเราที่เป็นอยู่ ร่างกายเราถือว่าเป็นบ้านเป็นของของเราถ้าจะมาเจ็บหัวปวดท้องนิดนึงก็ทุรนทุรายไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันเป็นทุกข์ขาก็ขาของเราไม่อยากให้มันเจ็บแขนก็แขนของเราไม่อยากให้มันเจ็บหัวนี่ก็หัวของเราไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันเป็นอะไรเลยที่นี่รักษามันให้ได้หลงไปหลงจากความจริงมา เราก็จอเข้ามาอยู่กับสังขารนี่ก็เหมือนกันสารลานี้ไม่ใช่สารลาของเราตามความจริงนะเราก็เป็นเจ้าของชั่วคราวหนูมันก็เป็นเจ้าของชั่วคราวจิ้งเหลนมันก็เป็นเจ้าของชั่วคราวจิ้งจบมันก็เป็นเจ้าของชั่วคราวเท่านั้นแต่มันไม่รู้จักกันร่างกายนี้ก็เหมือนกันความเป็นจริง พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่มีตัวไม่มีตนอยู่นี้เราก็มายึดสังขารก้อนนี้ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาแน่นอนเข้าไปทีนี้สังขารจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่อยากให้เปลี่ยนบอกเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจบอกจริงๆก็ยิ่งหลงจริงๆอันนี้ไม่ใช่ตัวว่าอย่างนั้นก็ยิ่งหลงใหญ่ยิ่งไม่รู้เรื่อง เรามาภาวนาให้มันเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นคนโดยมากไม่เห็นตัวตนผู้ที่เห็นตัวตนจริงๆก็คือผู้ที่เห็นว่ามิใช่ตัวมิใช่ตนคือเห็นตนตามธรรมชาติผู้ที่เห็นตัวด้วยอุปทานนี้ว่านี่เป็นตัวเป็นตนผู้นั้นไม่เห็นมันก้าวกายอยู่อย่างนี้จะทำอย่างไรมันไม่เห็นง่ายๆก้อนนี้ อุปทานมันยึดไวฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้พิจารณารู้เท่าด้วยปัญญาให้เห็นด้วยปัญญาคือพิจารณาสังขารว่ามันจริงอย่างไรก็ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นอาศัยปัญญารู้ตามเป็นจริงของสังขารเรียกว่าตัวปัญญา ถ้ารู้ไม่ตามเป็นจริงของสังขาร น, นั้นก็ไปแย้งกันไปขัดกันสังขาร น, นี้มันสมควรที่จะปล่อยไปแล้วก็ยังจะไปกลางไปกั้นมันไว้ไปร้องขอให้เป็นอยู่อย่างนั้นหาสิ่งของสารพัดอย่างมาแก้มันมาไถ่มาถอนเอาสารพัดถ้ามันเจ็บมันไข้แล้วไม่อยากไปจึงค้นหาสูตรอะไรต่างๆพากันมาสวด สูตรโพชังโคธรรมจักอนัตตลกนาสูตรไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นพากันกั้นพากันห้ามก็เลยเป็นพิธีรีตรองไปยึดมั่นถือมั่นยิ่งไปกันใหญ่โดยบทสวดต่างๆคือสวดให้มันหายโรคเอามาสวดต่ออายุกันเอามาสวดให้มันยืนยาวสารพัดอยา่าง ความเป็นจริงท่านให้สวดเพื่อเห็นชัดแต่เรามาสวดให้หลงรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังบทที่สวดนั้นไม่ใช่สวดให้เราหลงนะสวดให้เรารู้เรื่องตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นจะได้ปล่อยจะได้วางจะได้ไม่เสียใจจะได้ทอดอะไรอันนั้นมันจะสั้น แต่เรามาสวดให้มันยาวถ้ามันยาวอยากจะให้มันสั้นบังคับธรรมชาติให้มันเป็นไปหลงกันหมดที่มาทํากันในศาลานั้นก็มันหลงกันหมดทุกคนเลยคนที่สวดก็หลงคนที่นอนฟังอยู่ก็หลงใครที่ไหนก็หลงทั้งนั้นทําอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์คิดอย่างนั้นจะปฏิบัติที่ไหนกันจึงปฏิบัติให้มันหลงไปแก้ความจริง ในเรื่องอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วท่านผู้รู้ทั้งหลายเห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดมาแล้วต้องมีโรคอย่างนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีอริยะสาวกของท่านก็ดีมีเจ็บมีไข้เป็นธรรมดาท่านก็รักษาฉัญยาเป็นธรรมดาเท่านั้นแหละมันเป็นเรื่องแก่ธาตุแต่ความเป็นจริงท่านไม่ได้ถือมั่นถือลางถือขลังยึดมั่นจนเกินไป ท่านก็รักษามันด้วยความเห็นชอบไม่เชลรักษาด้วยความหลงมันหายก็หายไม่หายก็ไม่หายเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละเขาว่าศาสนาในประเทศไทยเรามันจเจริญแต่อาตามาว่ามันเสื่อมจนถึงที่สุดมันแล้วในสาลามีแต่หูฝังทั้งนั้นหมดสาลาเลยเอียงหูฝัง มันเอียงซ้ายเลยเนี่ยตลอดผู้ใหญ่ผู้โตก็ทําอย่างนั้นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเลยหลงตามกันหมดทุกอย่างฉะนั้นถ้าเราไปเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยพูดอะไรไม่ออกมันคนละเรื่องกันแล้วจะให้มันพ้นทุกข์กันที่ไหนท่านให้สวดเพื่อให้มันแจ้งเรามาสวดให้มันมืดมันหันหลังใส่กันเลยผู้หนึ่งเดินไปทางตะวันตกอีกผู้หนึ่งเดินไปทางตะวันออก จะพบกันได้อย่างไรมันไม่ใกล้กันเล ย, ยเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าเราได้ภาวนาแล้วตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นก็กําลังหลงกันไม่รู้จะว่ากันได้อย่างไรอะไรก็เป็นพิธีรีตรองไปหมดทุกอย่างสวดอยู่แต่ว่าสวดด้วยความโง่ไม่ใช่สวดด้วยปัญญาเรียนแต่เรียนด้วยความโง่ไม่ได้เรียนด้วยปัญญา รู้ก็รู้ด้วยความโง่ไม่ได้รู้ด้วยปัญญามันเลยไปกันก็ไปด้วยความโง่อยู่ก็อยู่ด้วยความโง่มันก็เป็นอย่างนั้นที่สอนกันทุกวันก็เรียกว่าสอนให้คนโง่เท่านั้นแหละแต่เขาว่าสอนให้คนฉลาดสอนให้คนรู้แต่หลักความเป็นจริงฟังฟังดูแล้วก็สอนให้คนหลงงมงาย ความเป็นจริงหลักธรรมะท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติเพื่อเห็นอนัตตาคือเห็นตัวตนนี้ว่ามันเป็นของว่างไม่ใช่เป็นของมีตัวตนเป็นของว่างจากตัวตนแต่เราก็มาเรียนกันให้มันเป็นตัวเป็นตนก็เลยไม่อยากจะให้มันทุกข์ไม่อยากจะให้มันลําบากอยากให้มันสะดวกอยากให้มันพ้นทุกข์ ถ้ามีตัวมีตนมันจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ดูสิอย่างเรามีของชิ้นหนึ่งที่มีราคามากเมื่อเราได้รับมาเป็นของเราแล้วเปลี่ยนสิจิตใจเปลี่ยนแล้วต้องหาที่วางจะเอาไว้ตรงไหนดีเนาะเอาไว้ตรงนั้นขโมยมันจะย่องออกไปละมั้งคิดจนเลิกคิดแล้วหาที่ซ่อนของนะแล้วจิตมันเปลี่ยนเมื่อไหร่ มันเปลี่ยนเมื่อเราได้วัตถุอันนี้เองทุกแล้วเอาไว้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจเอาไว้ตรงนั้นก็ไม่ค่อยสบายใจเลยวุ่นกันจนหมดแหละนั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกนี่ทุกเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดเมื่อไรมันเกิดในเมื่อเราเข้าใจว่าของของเรามันมีมาแล้วได้มาแล้วทุกอยู่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่มีมันก็ไม่เป็นทุก ทุกยังไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จะจับมันอัตานี้ก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจว่าตัวของเราตนของเราสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นมันก็เป็นของตนไปด้วยของเราไปด้วยมันก็เลยวุ่นขึ้นไปเพราะอะไรต้นเหตุคือมันมีตัวมีตนไม่ได้เพิกสมมุติอันนี้ออกให้เห็นวิมุตต์ตัวตนนี้มันเป็นของสมมุติ ให้เพิกให้รื้อสมมุติอันนี้ออกให้เห็นแก่นของมันคือวิมุตต์พลิกสมมุติอันนี้กลับให้เป็นวิมุตต์อันนี้ถ้าเปรียบกับข้าวก็เรียกว่าข้าวยังไม่ได้ซ้อมข้าวนั้นจะกินได้ไหมกินได้แต่เราไปปฏิบัติมันสิคือให้เอาไปซ้อมซ้อมมันให้ถอดเปลือกออกไปเสี มันก็จะเจอเข้าวสารอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ถ้าเราไม่ได้สีมันออกจากเปลือกของมันก็ไม่เป็นข้าวสารความเห็นเช่นนี้ก็เหมือนกันกันกบสุนักสุนักมันนอนอยู่บนกองข้าวเปลือกนะั่นแหละท้องร้องจอกจอกจอกจอกจอกจอกจอกมันก็มัวแต่นอนอยู่นั่นแหละจิตมันวันวิตกจะไปหากินที่ไหนนะ้ะน่ะ ท้องมันหิวมันก็โจรออกจากกองข้าวเปลือกวิ่งไปหากินอาหารเศษๆทั้งหลายเหล่านั้นทั้งๆที่มันนอนทับอยู่อาหารมันอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่รู้จักเพราะอะไรมันไม่เห็นข้าวสุนัขมันกินข้าวเปลือกไม่ได้อาหารมันมีอยู่แต่มันกินไม่ได้ความรู้เรามีอยู่ถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันโง่ขนาดสุนัขมันนอนอยู่บนกองข้าวเปลือก นอนทับอาหารอยู่ได้แต่ว่าไม่รู้จักกินอาหารที่มันนอนทับอยู่เมื่อหิวอาหารก็ต้องโจรจากข้าววิ่งไปหากินที่อื่นอันนี้มันก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันเหมือนกันฉันนั้นข้าวสารมีอยู่อะไรมันปิดเปลือกข้าวมันปิดสุนักกินไม่ได้วิมุตต์ก็มีอยู่อะไรมันปิดไว้สมมุติมันปิดไม่ให้เห็นวิมุต ให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่งทับไม่รู้จักข้าวไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัตินั่นจึงไม่เห็นวิมุตติมันก็จึงติดสมมุติอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาเมื่อมันติดอยู่ในสมมุติมันก็ทําให้เกิดทุกข์กขึ้นมาเกิดภพขึ้นมาเกิดชาติขึ้นมาชาราพยาธิมรณะถึงวันตายต่างเข้ามา ฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรบังอยู่หรอกมันบังอยู่ตรงนี้เราเรียนธรรมะไม่รู้จักธรรมะก็เหมือนกับสุนัขนอนอยู่บนกองขาเปลือกไม่รู้จักข้าวหิวจวนจะตายมันก็ตายทิ้งเฉยๆนั่นแหละไม่มีอะไรจะกินข้าวเปลือกมันกินไม่ได้มันไม่รู้จักหาอาหารของมันเลยนานๆไปไม่มีอะไรกินมันก็ตายไปบนกองข้าวเปลือกนั่นแหละ บนอาหารนั่นแหละมนุษย์เรานี้ก็เหมือนกันธรรมที่เราเรียนมาธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ถึงจะศึกษาธรรมะเท่าไหร่ก็ตามทีทัถ้ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้จักข้อปฏิบัติอย่าพึงว่าเราเรียนมากรู้มากแล้วเราจะเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเรามีตาอย่าง ก็นึกว่าเราเห็นทุกอย่างเพราะว่าเรามองไปแล้วหรือจะนึกว่าเราได้ยินแล้วทุกอย่างเพราะเรามีหูอยู่แล้วมันเห็นไม่ถึงที่สุด มันก็เป็นตานอกไปท่านไม่จัดว่าเป็นตาในหูก็เรียกว่าหูนอกไม่ได้เรียกว่าหูในมิฉะนั้นถ้าท่านพลิกสมมุติเข้าไปเห็นมิมุติแล้วก็เป็นของจริงเห็นชัดถอนทันทีมันจึงถอนสมมติออกถอนความยึดมั่นถือมั่นออกถอนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับผลไม้วันหวานใบนึงผลไม้นั้นมันหวานอยู่ก็จริง แต่ว่ามันต้องอาศัยการกระทบประสบจึงรู้ว่ามันหวานหรือมันเปรี้ยวจริงผลไม้นั้นถ้าไม่มีอะไรกระทบมันก็หวานอยู่ตามธรรมชาติหวานแต่ไม่มีใครรู้จักเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัจธรรมจริงอยู่ก็าตามแต่สําหรับคนที่ไม่รู้จริงนั้นก็เป็นของไม่จริงถึงแม้มันจะดีเลิศประเสริฐสักเท่าไหร่ก็าตามทีเดีย มันไม่มีราคาเฉพาะกับคนที่ไม่รู้เรื่องฉะนั้นจะไปเอาทุกทำไมใครในโลกนี้อยากเอาทุกใส่ตัวมีมั้มไม่มีใครทั้งนั้นแหละไม่อยากได้ทุกแต่ว่าสร้างเหตุให้ทุกเกิดขึ้นมามันก็เท่ากับเราไปสแสวงหาความทุกนั่นเองแต่ใจจริงของเราสแสวงหาความสุขไม่อยากได้ทุก นี่มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ทำไมจิตใจของเรามันสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้เรารู้เท่านี้ก็พอแล้วใจเราไม่ชอบทุกข์แต่เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเป็นตัวของเราทำไมมันก็เห็นง่ายๆก็คือคนที่ไม่รู้จักทุกข์นั่นเองไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงประพฤติอย่างนั้นจึงเห็นอย่างนั้นจะไม่มีความทุกข์ได้อย่างไร ก็เพราะคนไปทำอย่างนั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งดุนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรที่เราพูดเราได้เห็นเราได้ทำแล้วเป็นทุกข์อันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ทุกข์อย่างนั้นหรอกมันไม่ยึดในความทุกข์อันนั้น มันไม่ยึดในความสุขนั้ น, น, นไม่ได้ยึดตามอาการทั้งหลายเหล่านั้นมันจะปล่อยวางตามเรื่องของมันเช่นกระแสน้ำที่มันไหลมาไม่ต้องการกั้นมันให้มันไหลไปตามความสะดวกของมันนั่นแหละเพราะมันไหลอ ย, อย่างนั้นกระแสธรรมก็เป็นอย่างนั้นกระแสจิตของเราที่ไม่รู้จักมันก็ไปกางกั้นธรรมะด้วยที่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิและไปตะโกนน้น มิจฉาทิฏฐิอยู่ที่นูน้นคนโน้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ตัวเราเองเป็นมิจฉาทิฏฐิคือทุกขเกิดขึ้นมาเพราะเราเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนั้นเราไม่รู้เรื่องอันนี้ก็น่าสังเกตน่าพิจารณาเหมือนกันนะถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่ก็เป็นทุกขเมื่อนั้นไม่ทุกขในเวลาปัจจุบันนั้นต่อไปมันก็ให้ผลมาเป็นทุก อันนี้พูดเฉพาะคนเรามันหลงเท่านั้นอะไรมันปิดไว้อะไรมันบังไว้สมมุติมันบังวิมุตให้คนมองเห็นไม่ชัดในธรรมทั้งหลายต่างคนก็ต่างศึกษาต่างคนก็ต่างเล่าเรียนต่างคนก็ต่างทำแต่ทำด้วยความไม่รู้จักก็เหมือน ก, นกันกับคนหลงตะวันนั่นแหละเดินไปทางตะวันตกเข้าใจว่าเดินไปทางตะวันออกหรือว่าเดินไปทิศเหนือก็เข้าใจว่าเดินไปทิศใต้ มันหลงขนาดนี้เราปฏิบัตินี้มันก็เลยเป็นขี้ของการปฏิบัติโดยตรงแล้วมันก็เป็นวิบัติวิบัตินี้คือมันพลิกไปคนละทางหมดจากความมุ่งหมายของธรรมะที่ถูกต้องสภาพอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็เข้าใจว่าอันนี้ถ้าทำขึ้นถ้าบ่นขึ้นถ้าท่องขึ้น ถ้ารู้เรื่องอันนี้มันจะเป็นเหตุให้ทุกข์ดับก็เหมือน ก, นกันกับคนที่อยากได้มากๆนั่นแหละอะไรๆก็หาม า, มากๆถ้าเราได้มากแล้วมันก็ดับทุกข์จะไม่มีทุกข์ความเข้าใจของคนมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันคิดไปคนละทางเหมือน ก, นกันกับคนนี้ไปทิศเหนือคนนั้นไปทิศใต้นึ ก, กว่าไปทางเดียวกันฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายมนุษย์เราทั้งหลายจึงจมอยู่ในกองทุกข์ อยู่ในวัฏฏะสงสารก็เพราะคิดอย่างนี้ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ น, นึกแต่ว่าจะให้มันหายเท่านั้นอยากให้มันหายเดี๋ยวนี้จะให้มันหายเท่านั้นแหละไม่นึกว่าอันนี้มันเป็นสังขารอันนี้ไม่มีใครรู้จักสังขารมันเปลี่ยนทนไม่ได้ฟังไม่ได้จะต้องให้หายให้หมดแต่ผลสุดท้ายมันก็สู้ไม่ได้สู้ความจริงไม่ได้พังหมดอันนี้คือเราไม่ได้คิด คือมันเห็นผิดหนักเข้าไปเรื่อยๆการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างเพื่อเห็นธรรมะมันเลิศ ก, กว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีตั้งแต่ทานบารมีไปจนถึงปรมถับบารมีเพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้จักอันนี้เพื่อให้เห็นธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะแล้วให้รู้ธรรมะให้ใจเป็นธรรมะ ปล่อยให้วางให้ปล่อยวางเพื่อจะไม่ให้หนักอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันหรือจะพูดง่ายๆอย่างว่าให้ยึดแต่อย่าให้มั่นนี่ก็ถูกเหมือนกันคือเราเห็นอะไรก็จับมันขึ้นมาดูเสีเอออันนี้ก็อันนั้นแล้วก็วางมันไปเห็นอันนั้นอีก ก็ยึดมาอีกแต่อย่ายึดให้มัน่นเอามาพิจารณารู้เรื่องแล้วก็ปล่อยวางเท่านั้นแหละถ้ายึดไม่วางแบกไม่หยุดมันก็หนักตลอดเวลาสิถ้าเรายึดมาแบกรู้สึกว่ามันหนักก็ปลงมันไปทิ้งมันซะอย่าให้ทุกข์มันเกิดขึ้นมาถ้าเป็นเช่นนี้เราก็รู้จักว่าอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเมื่อรู้จักเหตุให้ทุกข์เกิดแล้วทุกข์มันเกิดไม่ได้ทุกข์จะเกิดสุขจะเกิด มันอาศัยอัตตาตัวตนอาศัยเราอาศัยของของเราอาศัยสมมติอันนี้ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้ววิ่งไปถึงวิมุตมันก็เลิกถอนมันถอนสมมุติออกถอนความสุขออกจากที่นั่นถอนความทุกข์ออกจากที่นั่นถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากที่มันยึดนั้นเท่านั้นแหละก็คล้ายกับว่า ของของเราชิ้นหนึ่งมันหลุดมือหายไปเราก็เป็นห่วงเป็นทุกข์กับมันอีกเวลาหนึ่งเราก็พบของนั้นขึ้นมาความทุกข์ก็หายแวดไปทีเดียวแม้ยังไม่เห็นวัตถุอันนั้นความทุกข์มันก็หายอย่างเราเอาของมาวางไว้ตรงนี้แล้วหลงซ์นึกว่าของเรามันหายไปก็เป็นทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วจิตก็ผวาวงถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอีกวันหนึ่งอีกเวลาหนึ่งจิตใจก็วิตกไปถึงของของเราว่า อ๋อเอาไว้ตรงนั้นแน่นอนเลยพอนึกอย่างนั้นรู้ตามความจริงนะตายังไม่เห็นของเลยสบายใจเลยทีนี้อันนี้เรียกว่าเห็นทางไหนเห็นกับตาใจไม่ใช่เห็นกับตานอกเห็นด้วยตาใจถึงตานอกยังไม่เห็นมันก็สบายแล้วมันก็ถอนทุกข์ออกทันทีอย่างนี้ก็เหมือนกันผู้ที่บำเพ็ญธรร ม, มบรรลุธรร ม, มเห็นธรร ม, มะ ประสบอารมณ์เมื่อไหร่ปุ๊บนั่นก็คือปัญญาเกิดขึ้นก็แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเท่านั้นแหละหายไปเลยวางปล่อยฉะนั้นท่านจึงให้พวกเราพบธรรมะที่นี่เราพบธรรมะแต่ตัวหนังสือพบธรรมะกับตำราอย่างนั้นมันก็พบแต่เรื่องของธรรมะไม่ได้พบธรรมะตามความจริงที่พระบรมครูของเราสอน จะเข้าใจว่าพวกเราทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างไรมันไกลกันมากพระพุทธองค์เป็นโลกกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกเดี๋ยวนี้เรารู้ไม่แจ้งรู้เท่าไร่ก็ยิ่งมืดเข้าไปเท่านั้นรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งมืดเข้าไปคือมันรู้มืดไม่ใช่รู้แจ้งรู้ไม่ถึงนั่นเองไม่แจ้งไม่สว่างไม่เบิกบานคนก็มาคาติดแค่นี้เท่านั้นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่น้อย มันเป็นของมากทุกคนโดยมากก็ต้องการความดีต้องการความสุขแต่ว่าไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นเหตุให้สุขให้ทุกเกิดขึ้นมาอะไรทุกอย่างถ้าเรายังไม่เห็นโทษมันเราก็ละมันไม่ได้มันจะชั่วขนาดไหนก็ละมันไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้เห็นโทษอย่างจริงจังแต่เมื่อเราเห็นโทษอย่างแน่นอนจริงๆนั่นแหละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราถึงจะปล่อยได้วางได้ พอเห็นโทษอย่างแน่นอนจริงๆพร้อมกระทั่งเห็นประโยชน์ในการกระทําอย่างนั้นในการประพฤติอย่างนั้นเปลี่ยนขึ้นมาทันทีเลยอันนี้คนเราประพฤติปฏิบัติอยู่ทําไมมันยังไปไม่ได้ทําไมมันถึงหวางไม่ได้ก็คือมันยังไม่เห็นโทษอย่างแน่ชัดคือยังไม่รู้แจ้งนี่แหละรู้ไม่ถึงหรือรู้มืดมันจึงละไม่ได้ถ้ารู้แจ้งอย่างอารหันตสาวก หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เลิกกันเท่าน่างแหละแก้ปัญหาหลุดไปทีเดียวแหะไม่เป็นของยากไม่เป็นของลำบากมันก็เหมือนกันกับเรานั่นแหละหูเราได้ยินเสียงก็ให้มันทำงานตามหน้าที่ของมันสิตาทางานทางรูปก็ให้มันทำสิจมูกทำงานทางกลิ่นก็ให้มันทำสิร่างกายทำงานถูกต้องโธทพะก็ให้มันทางานตามเรื่องของมันสิ ถ้าแบ่งให้มันทำงานตามหน้าที่ของมันแล้วมันจะมีอะไรมาแย้งกันมันไม่ได้ขัดขวางกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสมมุติเราก็ให้มันสิสิ่งเหล่านั้นก็เป็นวิมุตติเราก็แบ่งมันสิเราเป็นผู้รู้เฉยๆเท่านั้นแหละรู้ไม่ให้มันขัดข้องรู้แล้วก็ปล่อยวางมันตามธรรมดาเป็นของมันอยู่อย่างนั้น ของทั้งหลายเหล่านี้เป็นอยู่อย่างนั้นที่เรายึดมั่นว่าอันนี้ของเราใครเป็นคนได้พ่อเราได้ไหมแม่เราได้ไหมญาติของเราได้ไหมใครได้ไหมไม่มีใครได้พระพุทธองค์จึงบอกให้วางมันเสียปล่อยมันเสรู้มันเสีรู้มันโดยที่ว่ายึดแต่อย่าให้มั่นใช้มันไปในทางที่เป็นประโยชน์อย่าใช้มันในทางที่เป็นโทษ คือความยึดมั่นถือมั่นที่ทําให้เราเป็นทุกข์รู้ธรรมะมันต้องรู้อย่างนี้คือรู้ในแง่ที่มันพ้นทุกข์ความรู้นี้เป็นสิ่งที่สําคัญรู้เครื่องยนต์กลไกรู้อะไรสารพัดอย่างก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่เลิศธรรมะก็ต้องรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกให้รู้เท่านี้ก็พอสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติ รู้แล้วก็วางไม่ใช่วัดตายแล้วจึงจะไม่มีทุกข์นะมันไม่มีทุกข์ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะมันรู้จักแก้ปัญหามันรู้จักสมมุติวิมุตินี้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเราประพฤติปฏิบัตินี้เองไม่ใช่เอาที่อื่นหรอกดังนั้นท่านอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากยึดอย่าให้มันมั่นบางทีจะคิดว่าท่านอาจารย์ทำไมพูดอย่างนี้สอนอย่าง จะไม่ให้สอนอย่างไหนไม่ให้พูดอย่างไรเพราะว่ามันแน่นอนอย่างนั้นมันจริงอย่างนั้นจริงก็อย่าไปยึดมั่นมันสิถ้าไปยึดมั่นมันก็ไม่มันก็เป็นไม่จริงเท่านั้นแหละเหมือนสุนัขไปจับขามันดูสิจับมันไม่วางเดี๋ยวมันก็วุ่นมากัดลองลองดูซิสัตว์ทั้งปวงก็เหมือนกันเช่นงูไปยึดหางมันสิ ยึดไม่ปล่อยไม่วางเดี๋ยวมันก็กัดเราเท่านั้นเองสมมุตินี้ก็เหมือนกันให้ทำตามสมมุติสมมุตินี้เป็นของใช้เพื่อให้มันสะดวกเมื่อเรามีชีวิตอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องจะต้องยึดมั่นถือมั่นจนมันเกิดทุกข์ทรมานแล้วก็แล้วไปเท่านั้นอะไรที่เราเข้าใจว่าถูกแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไม่แบ่งใครนั่นแหละคือมันเห็นผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเมื่อทุกเกิดขึ้นมาปุ๊บ มันเกิดมาจากอะไรเหตุมันก็คือมิจฉาทิฏฐิมันจึงให้ผลเป็นทุกข์ถ้ามันถูกผลที่จะเกิดขึ้นมาจะไม่เป็นทุกข์ท่านไม่ให้แบกไม่ให้ยึดไม่ให้มั่นถูกก็เป็นของสมมติแล้วกว็แล้วไปผิดก็เป็นของสมมติแล้วกว็แล้วไปเท่านั้นถ้าเราเห็นว่าถูกแล้วคนอื่นมาแย้งก็อย่าไปถือมันปล่อยมันไม่ได้เสียหายอะไร มันเป็นไปตามเรื่องตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างเก่าพอรู้แล้วก็ปล่อยมันไปตรงนั้นเลยแต่โดยมากมันไม่ใช่อย่างนั้นคนเรามันไม่ค่อยยอมกันอย่างนั้นผู้ปฏิบัติเรายังไม่รู้ตัวยังไม่รู้จิตใจของตนพอพูดอะไรจนกว่ามันโง่เต็มที่ก็ยังนึกว่ามันฉลาดอยู่นั่นะพูดสิ่งที่มันโง่จนคนอื่นฟังไม่ได้ แต่ก็นึกว่าเราฉลาดกว่าคนอื่นคนอื่นทนฟังไม่ได้ก็ยังว่าเราดีเราถูกอยู่นั่นแหละมันขายความโง่ของตัวเองโดยไม่รู้เรื่องปราดทั้งหลายท่านบอกว่าคำพูดอันใดวาจาอันใดที่ปราจจาาอนิจจังแล้วคำพูดนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราเป็นคำพูดที่โง่เป็นคำพูดที่หลงเป็นคำพูดที่ไม่รู้จักว่าทุกข์จะเกิดตรงนั้น พูดง่ายๆให้เห็นเช่นพรุ่งนี้เราตั้งใจว่าจะไปกรุงเทพและมีคนมาถามว่าพรุ่งนี้ท่านจะไปกรุงเทพหรือเปล่าคิดว่าจะไปกรุงเทพถ้าไม่มีอุปสรรคขัดข้องก็คงจะไปนี่ยเรียกว่าพูดอิงธรรมะอิงอนิจจังอิงความจริงอิงความไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนตามปัจจัยของมันไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปแน่ ถ้าไม่ไปจริงจะให้ทำยังไงจะยอมให้่าให้แกงไหอะไรอย่างนี้พูดกันบ้าๆบอๆมันก็ยังเหลืออยู่มากเหมือนกันการปฏิบัติธรรมมันลึกซึ้งไปจนเรามองไม่เห็นที่เรานึกว่าเราพูดถูกแต่มันจะผิดไปทุกคำผิดจากหลักความจริงทุกคาแต่ก็นึกว่าเราพูดถูกไปทุกคำพูดง่าย เราพูดอะไรบ้างทำอะไรบ้างอันที่มันเป็นเหตุให้ทุกเกิดนั่นแหละเรียกว่าเป็นมิจฉาทิพย์เรียกว่าคนหลงคนโ ง, ง่โดยมากนักปฏิบัติเราไม่ค่อยจะทบทวนอย่างนี้เห็นว่าเราดีก็ดีเรื่อยๆไปเช่นเราได้อันนึงขึ้นมามันจะเป็นลาบก็ดียศก็ดีสันเสริญก็ดีก็นึกว่ามันดีดีตลอดการตลอดเวลาแล้วก็ถือเนื้อถือตัวขึ้นมา ไม่รู้จักว่าเรานี้คือใครที่มันดีมันเกิดจากอะไรเดินไปพบนายกนายขอเหมือนกันหรือไม่อย่างนี้พระพุทธองค์ท่านให้วางเป็นปกติอย่างนี้ถ้าเราไม่สับเราไม่ขบไม่เคี้ยวไม่ปฏิบัติค้นคว้าอันนี้ก็เรียกว่ายังจมอยู่จมอยู่ในใจของเรานั่นแหละเรียกว่าติดลาบบ้างติดยศบ้างติดสรเสริมบาง ก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นเพราะสำคัญว่าตัวเรานี้ดีขึ้นแล้วสำคัญว่าเราเลิศขึ้นแล้วสำคัญว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่แล้วก็เกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาวุ่นวายความเป็นจริงมันไม่เป็นอะไรรอคนเราเป็นก็เป็นด้วยสมมุติถ้าถอนสมมุติไปเป็นวิมุตติมันก็ไม่เป็นอะไรเป็นสามัญยลักษณะ มีลักษณะเสมอกันความเกิดขึ้นเบื้องตน้นมีความแปรไปเป็นท่ามกลางแล้วก็ดับไปที่สุดมันก็แค่นั้นเห็นสภาพมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นมาถ้าเราเข้าใจเช่นนั้นแล้วมันก็สบายมันก็สงบที่มันไม่สงบ ก, ก็เหมือนกับพระปัญจวัคคีย์ประพฤติตามที่ครูบาอาจารย์ทัสอน เมื่อท่านพริกไปอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรท่านทำอะไรก็เลยหาว่าท่านคลายความเพียรเวียนมาหาความมากๆถ้าตัวเราเป็นเช่นนั้นก็คงจะคิดอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่มีทางแก้ไขแต่ความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านเดินขั้นสูงขึ้นไปอีกจากพวกเราเรายังถือตัวอย่างเก่าคิดไปในทางต่าก็นึกว่าเราคิดอยู่ในทางสูง เห็นพระพุทธเจ้าก็คิดว่าท่านคลายความเพียรเวียนมาหาความมากๆแล้วเหมือนกับปัญจวัคคีย์ปฏิบัติกี่ภาษาคิดดูสิขนาดนั้นก็ยังหลงอยู่ยังไม่ถนัดท่านจึงให้ทำงานและให้ตรวจผลงานของตนคือที่มันไม่ยอมนั่นเองเรื่องที่มันไม่ยอมเรื่องที่มันยอมมันก็สลายตัวไปเท่านั้นแหละไม่มีอะไร ถ้ามันไม่ยอมมันไม่สลายมันตั้งตัวขึ้นมาเป็นก้อนเป็นตัวอุปทานมันไม่มีการแบ่งเบานักบวชนักรถเราโดยมากก็ชอบเป็นอย่างนั้นถ้าติดอยู่ในแง่ไหนก็ดึงอยู่แง่นั้นแหละไม่เปลี่ยนแปลงไม่พินิษพิจารณาเห็นว่าเราถูกแล้วก็เห็นว่าเราไม่ผิดแต่ความเป็นจริงความผิดมันฝังอยู่ในความถูกแต่เราไม่รู้จักเป็นอย่างไร อันนี้แหละถูกแล้วแต่คนอื่นว่ามันไม่ถูกก็ไม่ยอมเถียงกันนี่อะไรทิฏฐิมานะทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความยึดไว้ถือไว้ถ้าเรายึดในสิ่งที่ถูกไม่ปล่อยให้ใครเลยก็เรียกว่ามันผิดถือถูกนั่นแหละยึดมั่นถือมั่นในความถูกมันเป็นขึ้นเดี๋ยวนี้แหละไม่เป็นการปล่อยวาง สิ่งอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้คนเราไม่ค่อยสบายนอกจากผู้ประพฤติปฏิบัติที่เห็นว่าแงน่นี้ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่สาคัญท่านจะจดไว้พอพูดไปถึงปุ่มนั้นปุ๊บมันจะวิ่งขึ้นมาทันทีเลยความยึดมั่นถือมั่นวิ่งขึ้นมาอาจจะเป็นอยู่นานบางทีวันหนึ่งสองวันสามเดือนสี่เดือนถึงปีก็ได้ขนาดช้านะ แต่ขนาดเร็วความปล่อยวางมันจะวิ่งเข้ามาสกัดหน้าเลยคือพอความยึดเกิดขึ้นปุ๊บก็จะมีการปล่อยบังคับให้วางลงในเวลานั้นเลยจะต้องเห็นสองอย่างนี้พร้อมกันประสานงานกันตัวยึดก็มีผู้ที่ห้ามความยึดนั้นก็มีเราดูสองอย่างนี้เท่านั้นแหละไปแก้ปัญหาอันนี้บางทีมันก็ยึดเป็นนานก็ปล่อยพิจารณาไปเรื่อยไปทำเรื่อยไปมันก็ค่อยบรรเทาไป น้อยไปความเห็นถูกมันก็เพิ่มเข้ามาความเห็นผิดมันก็หายไปความยึดมั่นถือมั่นมันก็น้อยลงความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงให้พิจารณาอันนี้แก้ปัญหาได้ในปัจจุบันบางทีตัวนั้นมันวิ่งขึ้นมาตัวนี้มันก็วิ่งตะครุบเลยหายไปเลย อันนี้เราดูภายในใจของเราดูภายในใจของเราแก้ปัญหาเฉพาะภายในใจของเราเองถ้าเราแก้มันไม่ได้ตรงนี้เป็นต้นปุ่มนี้จับไว้แต่เมื่อมันเกิดอีกที่ไหนก็พิจารณาตรงนั้นพระพุทธองค์ก็ให้เพ่งตรงนี้ให้มากที่สุด